โรงพยาบาลช่วยทางวิทยาไรพยาบาลช่วยอะไรบ้างหลวงพ่อเนี่ยพอวันหลวงพ่อก็ได้ช่วยวิทยาไรพยาบาลก่อนหน้านี้ก็มีการทอดผ้าป่าก็กได้ซื้อรถบัสใหญ่คันหนึ่งให้กับวิทยาัยพร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวอุดรในคราวนั้นก็หลวงพ่อเห็นว่าวิทยาไรของพวกเราลูกหลานของเราที่มา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 แต่บ้านอำเภอเพชรที่อีกหลังหนึ่งกําลังทำทำรังกำลังเทคานขึ้นมาอยู่หลังนี้ก็เท่าๆกันก็เป็นของจัตทาญาติโยมนะแต่ว่าเป็นหลวงพ่อเป็นผู้ไปเห็นขาหาโบดีผู้ที่มีอันจะกินและท่านก็แสดงความจํานงหลวงพ่อก็เอื้ออํานวยเป็นสะพานบนให้กับท่านเหล่านั้น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 เอาใจเราไปใส่ใจเข า, เ อ, าอย่างสิทธ่าอย่างที่หลวงพ่อจะอุปมาอุปไมยให้ฟัง เ, เมื่อเราไปฆ่าเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไปฆ่าเขาเกิดแล้วไปแต่เมื่ออะไรเขามาฆ่าเรามาคิดฆ่าเรามาคิดพาพ่อแม่พี่น้องวงศาขนาญาต้องเราเรามีความรู้สึกอย่อะไรเราเสียใจคนอื่นเขาก็คงจะเช่นเดียวกันกับเรา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 เพราะั้นเวลาคนขาดจติตแล้วขับรถไปไปเฉียวไปชนคนอื่นเขาเน่เป็นยังไงเขารู้เขามีความเสียความรู้สึกแต่เราก็รู้ว่ามันถ้าไปดื่มไปไปดื่มแล้วไปเสพเข้าไปแล้วมันขาดจิมันต้องขาดจิแน่แต่เราทำไมไปดื่มพอดื่มเข้าไปแล้วัมนก็ต้องขาดจติตเพราะน้าเนี่ยเปน็นกินเข้าไปแล้วเสพเข้าไปแล้วมันขาดจติต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 ไปทำสิ่งนี้ลงไปที่มันไม่ถูกต้องถ้าไปเจ อ, อเขาก็เสียใจเรือไปทำให้กับเขาเขามาทำให้กับเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นเรื่องคุณธรรมศีลจริจยธรรมไม่ได้อยู่อื่นไกลอยู่ในจุดนี้หลวงพ่อมองมอ ง, มองดูแล้วนะคล้ายๆว่าทำให้กับเขาเรามีความพอใจไหมอย่างหลวงพ่อสอนสอนพวก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 เพราะว่าเราเป็นช่างเขาเป็นผู้มาอยู่อาศัยเขาเป็นผู้จ่ายเงินในเมื่อเราทําดีเขาก็ต้องยอมรับเราถ้าว่าเรานี่จะให้ลูกน้องไปดูเอาไปทำเถอลูกน้องก็ไปดูกดรวดกระลาดเพราะมันลูกน้องไนี่ยเพราะที่สุดเนี่ยไม่เท่าไหร่เขาก็ส่งคืนเนี่ยไม่ไหวเอมีปัญหานี่แหละเพราะอะไรเพราะ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 คุณภาพศักยภาพพอต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเออเอกไม่กี่ปีเนี่ยปีห้าเก้าเนี่ยมั้งประชาคมอาเซียนก็จะเข้ามาเปิดคนทั้งหลายก็ลัว่วไหลไปหากันอะไรแสดงหลวงพ่อว่าวพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลของเราเผลน้อยเกินไปหลวงพ่อว่านะ <laughs> มันต้องมากกว่านี้อพิทยากรหรื อ, รอว่านักศึกษาของพวกเราเอพวกเราอย่าไปนั้นเลยทุกพ่อมั่นใจเลยว่าอพวกเราต้องมีสกิรยาภาพจะไปต่างประเทศในโลกแวกนี้น่ะในประชาคม อ, อาเซียนของเราเราต้องนําหน้าเขาแน่นอนเพราะเราประเทศของเราของเรื่องอกิริยามารยาทเรื่าการอคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม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 เออทำไมลูกหลานของเรามันจังห่างห่างห่างอย่างนี้หว่านะีเออแต่สมัยลงสมัยก่อนเนี่ยสมัยหลวงพ่อเป็นเอขุดลูกศิษย์กู้บาอาจารย์โอ้ทําอะไรลงไปเนะี่ยพอทําเสร็จแล้วเก็บกบกบฝังให้เรียบร้อยเอจอบเสียมเอามาใช้ใช้แล้วเอามาล้างน้ําเก็บเอาเป็นที่เป็นทาง ใครออกมาออกมาจะไปออกมาใช้ใช้เราไปเอาไปใช้เก <ry depois Leon idas> <t ry CUBE> ็บลงมาล้างเก็บเออแต่ทุกวันในใหม่พอใช้ล้วโยนทิ้งเลยเกินไปหมดพราะใสุดหาจอบหาเสียมจะใช้ในวัดก็ไม่มีทีนี้เห็นแล้วทำไมลูกหลานคือตุดเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังนะทำไมเป็นอย่างนี้ว่าลงพ่อว่าน่ะเออ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 ขัเก็บเก็บเก็บใส่แล้วกมวนมวนจนไอ้ยอ้อย่างดีหรอกไปแล้วก็ต้องไปทิ้งใส่ถังขยะทํะไรอย่ยงกงต่อไปเก็บไว้ให้ดีแปลว่าในวัดป่าบ้านตาดแถวซาลงซาลาบริเวณแ ถ, แถบนั้นรลวมพ่อเชอร์รี์เห็นขาวๆไม่ได้เก็บมดุดท่านบอกว่าสมัยผมเป็นเด็กครูายจา์ของผมในโรงเรียน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 ในชุมชนสังคมกวรปฏิบัติอย่างไรให้มีกฎเกณฑ์อย่างไรต่อไปเอแต่นี่เดี๋ยวนี้เอต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเข้าประชาคมอาเซียนนะไม่รู้มันจะเป็นลักษณะยังไงไม่รู้เขาไม่รู้เราอีกเหมือนกันเอออาเซียนของเรานั่นรู้สิว่าไทยก็ไม่แพ้ลาวเราก็ไม่แพ้เขมรเขมรก็ไม่แพ้ญวน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 ที่เรารักษาศีลดีอยู่แต่ว่าคนหาเรื่องหาราว่าเราเป็นคนเลวคนชั่วฟ้องร้องสู่คดีเขาไม่ได้เพราะว่าเรา เ, เราอ่อนตอนหลักฐานเรามหาพยานหลักฐานไม่ได้เขาพยานหลักฐานเขามั่นคงกว่า เ, เขาก็ทำให้ติดคุกอันนี้ก็ได้ยินมากต่อมากเหมือนกันทั้งที่ไม่ได้ทำความผิด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 เงินใน ส, ง ถ, ง, สงถึงสงฆึงเรง า, า, าถึงโรงพยาบาลความถึงโรงพยาบาลแล้วทึ่จะรักษาอย่างไ อ, อสุขภาพนี้มันก็มีจุดจบของมันถวงแล้วสุดผลที่สุ ด, ด, สดร่างกายนั้นก็หมดสภาพตายทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ร่างกายนี้นถึงจะอย่างไงก็ต้องถึงจุดจบอยู่ในโรงพยาบาล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 ตัวเองไปไม่ได้ละมั น, ม, นมันตายแหละในญาติพี่น้องก็จับจัดเข้าในหีบในโลงเสร็จแล้วกันน่ะอัส่งขึ้นไปเมนก็ไปวางดอกไม้จันทร์เอ อ, เ อ, อกรรมใดที่ได้กระทำไว้โอ้โหสีกรรมให้ด้วยนะไ อ, อเมื่อเราได้ทำกรรมอนไหนไว้ทัวท่านจงปรดโอหสีกรรมให้ เ, ออเราด้วยเราก็โ อ, อ้โอหสีกรรมให้ท่านเหมือนกัน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 เรื่องตายแลวเกิดได้ตายแล้วศูนย์พระพระพุทธองค์ไปนั่งขัดสมาธิจนได้ตัสรู้ในวันเดือนหกเพนนะบปุกเพนิว่าสานุจติยานระลึกชาติโทนหลังได้เนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธ mm. เจ้าท่านได้ไปศึกษาค้นคว้าอยู่ถึงหกปีท่านบอกท่านก็บอกได้ว่ามโนปุพังคมาธรมามโนเศรษฐามโนมายา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 คือโซเฟอร์นะโซเฟอร์เนี่ยเป็นผู้รู้ว่าสมองกลแตี่มันบอกมาแต่นในหลักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขายังเขายังจับไม่ได้ตัวนี้ยังมองไม่เห็นเห็นแต่สมองเท่านี้นแต่เขายังไม่เห็นคนที่ไปใช้สมองคือใครเนยแต่หลักของพุทธศาสนาพวกพุทธเจ้าทัดค้นคว้าศึกษาท่านบอกว่าคนที่ไปใช้สมองน่คือใก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 เราจะไปสนใจเราจะไปทำยังไงได้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยรรเราต้องออใส่ใจปะคองปกครองก็น่าลูกหลานนะเราต้องสอนกูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาถ้าว่าเราทำได้อย่างนั้นโลกทั้งโลกก็เป็นที่ยอมรับกันจากนั้นขอร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าเราได้อบรมได้นาสั่งสอนลูกหลานของเราดีนะนา ก, การพูดการกล่าว ได้พบกับคณะสัตยา ญ, ญาติโฉมันที่ขาเห็นว่าสมควรกับการเวลาออขอยุตินะในการกล่าวสัโมดทธนิยกถาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธยาวพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองพวกเราคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลาน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 แหมแปลว่าทหารคนนี้ก็เก่งเป็นหมกเป็นทั้งหมัดเป็นทั้งมวยเป็นทั้งหมดทุกอย่างเหมือนกันก็ไปด้วยกันไปลาดตะเวนปูบไปทามดูไปง่ายพระเจ้าแผ่ดินปกครองอ่ะปลอมตัวเป็นเนี่ยปลอมตัวเป็นเปง่ายพระเจ้าแผ่ดินปกครองแหมเขาโอ้ยดีมากคเขาอะไปที่ไหนเขาคนดีเหมือนกันแต่ตอนี้พอพระเจ้าแผ่ดินไปหลายบ้านหนึ่งพระเจ้าแผ่ดินเหนื่อยใช่ไหมไหน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 แล้วก็มาปอกเปลือกให้มันดีทําให้เกลี้ยงสวยงามเลยจากนั้นเขาก็เอาหนังควายมาห่มมันไปมาห่มแล้วก็เป็นกรองใหญ่เลยข้าก็ไม่มีใครกล้าตีก่อนเพราะว่ามันต้องเป็นกรองพระราชาพระราชาต้อง ต, งตงีก่อนเหมือนกันแหะแต่เทวกรสั์มัดเสร็จแล้วก็ขึ้นห้างแล้ไงหามแหเข้าไปถวายพระราชาเปลี่ยนกองลูกเก่าออกกรองไฟล์ แต่ใ้พระราชาขึ้นต่อโอ้กองสวยนะพระราชาเิเย็นค้อนกองให้พระราชาพระราชาก็ดได้ค้อนมาหนึง่งตามมตีมกตีกองบังตุ้งตุงตุงต้ ง, งใช่ไหมนะแต่เด็กพอจกขึ้นมาพระราชาไปตุ้พระราชากิล่ลม <laughs> ตุง้งตุ้งบัดซ้อ ตีตบบุต๊บมาจอกพญากินล่ำโอ้พญาพญาเลยโยนโยนคอนกลองถิงตึ่เลยว่าเงินะเออ่ยแต่พอโยนค้อนกล่องทิง้งเลยเขาก็ไม่ได้พูดไปต่อไปอีกว่าป ร, ราชาจะสืบสอบว่าใครมันทําไมมันยึงรู้ว่ากูกินล่ำเลยถ้าถ้าป้ารายชาอีกเนี่ยคงจะสืบสอบไป มึงมาหาดเล็กมึงไปพูดไหมเจว่าเดี๋ยวาอีกใช่ไหม mm hmm. เออเนี่แหละอันนี้เขาก็เลยไม่ได้พูดต่อหลวงพ่อก็เลยบอกว่านีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพระราชาตัวเองเป็นผู้ใหญ่การที่การที่จะคิดจะทำอะไรต้องรอบครอบเพาะว่าเหมาะสมไหมตัวเองไปทำอย่างนั้นนะมันก็ไม่น่าจะทำใช่ไหมเพราะสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง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 ใยอถึงขนาดนั้นไม่ได้พูดก็จะจ ะ, จะล้มจะตายออกนะไม่น่าจะถูกลงพ่อวา น, นก็เลยมาพิจารณานแล้วมันผิดทั้งสองคนนะพระราชาก็ไม่น่าจะทำมหาดเล็กก็ไม่น่าจะปาคันถึงขนาดนั้นเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> ในฟองฟังไว้นะลูกหลานนะ <c oughs> ล้ำพ่อ น, อนะ่นเองนะกวดน้าอรดิชนกุศล